ใ น, ในช่วงแรกอะค่ะที่จะกัง่งเรียนถามพระจันท์ก็อยากจะได้ให้พระจันทร์ต่อเมตตาที่ตายจะค่ะให้ให้เข้า ใ, ใ, ใ, ใจว่าในการทําหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เราทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะมีความเป็นมาของพระรามาสวรรคธาตุาเป็นอย่างไรคุณลักษณะ ของพระธาตเป็นอย่างไรแต่ในหนังสือเล่ม น, นี้จะมีความแตกต่างก็คือว่าอยากให้แม่ใจเล่าตราวธิบายว่าจารที่เราจะนํามาเชื่อมเพืดึงให้พุศลศรีกชนยังมีความศรัทธาต่อพระ พ, พุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถเชื่อมออกมาได้อย่างไรนะคะที่มาสอบถามว่าการทําหนังสือเกี่ยวกันในเรื่องของ อย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือพระธาตุหรือพระบรมธาตุที่เป็นพุทธรัตนคคงแผ่นดินหนังสือลักษณะนี้เป็นหนังสือในเชิงของประวัติศาสตร์หมายความว่าบอกความเป็นมาของพระธาตุของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กระจุอยู่ในพระเจดีย์ต่างๆที่สำคัญสำคัญในประเทศไทย ก็จะบอกเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์ตามหลักสันนิษฐานกันยุคไหนพศไหนความเป็นมาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็สืบค้นประวัติศาสตร์เกิดไปอันนั้นก็ได้ความงดงามในเชิงประวัติศาสตร์ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วดีอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าดีในระดับในชั้นของประวัติศาสตร์แต่ถ้าหากจะพัฒนาต่อ ในเรื่องของจากประวัติศาสตร์เนี่ยที่บอกว่าจากเป็นพุทธะรัตณะของแผ่นดินเป็นรัตนะที่มีค่ามีราคาสูงสุดเป็นรัตนะอันกระเสริฐอันเลิศอันสูงสุดเนี่ยจะถามว่าถ้ารู้เพียงแค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวนี่ไม่พอดีอยู่แล้วการที่เราสามารถสืบค้นประวัติศาสตร์ได้มีภาพที่สวยสดงดงามได้ บ่งบอกถึงด้านของการก่อสร้างทั้งปูชนียวัตุปูชนียสถานความงดงามอารากาลวิจิตบรรจงของนายช่างที่ชาญฉลาดที่พยายามกระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความสริชสดงดงามตามคติความรู้ความสามารถของคนในยุคนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยฉะนั้นเขาจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำํำด้วยความ งดงามเนี่ยแต่ถามว่าพระเจดีย์ก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระพุทธรูกพระพุทธลูกก็ดีเนี่ยที่จะมีความงดงามออกมานั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าบุคคลที่จะจัดสรรค์ออกมาเป็นความงดงามข้างนอกได้ก็ต้องมีการตกแต่งความงดงามร้อยเรียนความงดงามให้อยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วถึงสามารถผักดันออกมาเป็นความงดงามข้างนอกได้ อันนั้นก็เป็นมันต้องบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของคนที่กระทําความแกล้งกล้าอาถารของเขาความเป็นผู้มีสติในการที่จะกระทําด้วยความประณีตไมจิตปัญจงความเป็นผู้มีความตั้งมั่นอย่างจิตความอดทนทั้งหลายเหล่านี้ความแข็งแรงของสภาพจิตใจตลอดถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะสื่อความหมายทั้งพระเจดีที่เป็นลักษณะเป็นรูปของโอความกระได้เป็นลักษณะของเจดี ทรงลังคุงรังกาหรือทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากมายที่เราเห็นกันตลอดถึงว่าเมื่อเราเห็นสภาพของพระเจดีย์ดีพระพุทธรูปปามต่างๆที่มีความสวยสดงบงามจะสร้างตามแบบของอะไรยุคไหนนะไม่ว่าจะเป็นยุคทวาราวดีหรือก่อนหน้านั้นหลังมาอะไรก็แล้วแต่รัฒนโกสินทร์อู่ทองก็ว่ากันไปอยุธยา การที่สร้างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นน่ะจริงๆแล้วเ่ยบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นมาบ่งบอกถึงประวัติศาสต์บอกบอกบอก่บงบอกเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดแต่เราจะสามารถอ่านพุทธศินเหล่านี้หรือว่าภาพต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นความงดงามหรือว่าความรู้ความเป็นมาของคนงแต่ละยุคแต่ละยุค ที่เขากําลังเป็นยังไงทําอะไรกันอยู่แตัวอย่างเช่นบางยุคบางสมัยก็จะสร้างพุทธลูปในลักษณะที่บึกบึนแข็งแกรง่งก็บ่งบอกได้เลยว่าในยุคนั้นน่ะมนุษย์เนี่ยในยุคนั้นบ่งบอกถึงความเข้มแข็งอดทนนีในการที่ต่ อ, ตอสู้ฟันฝ่าอะไรก็ว่ากันไปบางยุคบางสมัยก็สร้างในลักษณะความอ่อนช้อยความงดงามไ ร, ร้วิจิตรลงก็บ่งบอกถึงคนในยุคนั้นน่ะว่ามีความ งดงานทางด้านวัฒ น, ธ, นธรรมประเพณีทางด้านสภาพจิตใจไหไก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้สื่ออะไรเขาสื่อเรื่องลักษณะมหากริสระขณะเป็นต้นตลอดถึงความความงดงานทั้งหลายเขาจะการบอกว่าเมื่อเขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะบูชาสิ่งที่มีค่าทางด้านของ ชีวิตจิตใจของเขาเขาจึงวิจิตบรรจงในการที่จะทำไว้อย่างดีประเด็นคือว่าทางด้านประวัติศาสตร์เราทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าตำหนีเลยทั้งความงดงามของพระเจดีความงดงามของพระพุทธรูปวามต่างๆเรื่องราวความเป็นมาก็โอเคชัดแต่ถ้าเราจะต่อยอดในยุคนี้ในปัจจุบนันนี้ก็คือต้องการต่อยอดว่าทําอย่างไรให้คนได้เห็นพระเจดีก็ดีเห็นพระพุทธรูปก็ดีเนี่ย ได้สามารถเจาะทะลุทะลวงไปเห็นคนของพระพุทธเจ้าได้เห็นคนของพระธรรมเห็นคุณของพระพยดยส์ไม่ใช่ไปติดอยู่เพียงแค่อิฐหินยินปูนหรือแค่รูปภาพว่างามงมจริงหรองามจริงหรอแล้วก็กลับกันมาฉนั้นควรจะทําให้มากกว่านั้นทีนี้การที่จะทําให้มากกว่านั้นเนี่ยพระเจดีย์มีความงามอยู่แล้วพระพุทะรูปมีความ ส, สดใสเงินงามอยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าแล้วคนที่ไปเห็นไปสักการะไปบูชาไปศึกษาเราต้องสามารถที่จะเขียนข้อความหรือว่าสื่อความหมายจากประวัติศาสตร์เดินตามประวัติศาสตร์หรือเดินตามพุทธศาสตร์เข้าหาสารธรรมใช่หหรือเดินตามรอยบาพภะาศาสดาตามหาสารธรรมอย่างี้หรือว่าเดินตามพุทธศาสตร์แล้วก็เจาะเข้าหาสารธรรม เจาะเข้าหาสาระธรรมก็คือเข้าถึงศรัทธาได้เข้าถึงความเพียรได้เข้าถึงสติได้เข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาหรือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนัถ้าหากว่าองค์ของพระเจดีซึ่งเป็นพ่อปรมารีลิกธาตถามว่าพระธาตุเนี่ยพ่อปรมารีลิกธาตคืออะไรอัตถิธาตก็คือกระดูกของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมันอยู่อยู่ในข้อเจดีนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบกบอกว่าองค์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่นาทีนี้นาดา น, นี้ตั้งแต่เวลาเป็นพันๆปีมาแล้วถามว่าพระองค์มาในฐานะเป็นพระบรมสารีริกธาตุมาเพื่ออะไรมาพืโปรดเวนัยชนคนที่มีบุญทั้งหลายได้เข้าไปสักการะไปบูชาไปเคารพไปนอบน้อมคาว่าสักการะบูชานอบน้อมคืออะไร แล้วตัวอย่างเช่นนะว่าพุทธทางสาานาณฉามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือว่าอย่างนั้นก็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะดับเพลิงกิเลสเพลินทุกสิ้นเชิงตัดสรู้อริยสัจีได้ด้วยตนเองใช่ไหมแล้วก็พุทธทางสาานาณฉามีข้าพเจ้าอภิวาสพุทธเจ้าผูรู้ผู้ตื่นผู้บุญบานแปลว่าอะไร ก็เราไปกราบนอภิวาสในที่นั้นแปลว่าข้าพเจ้าจะปึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธ mm hmm. ก็หมายความว่ า, วาตัรส้วริยศสัตยีตามพระริเจ้าตื่นจากความหลับไหลคือกิเลสคือราคะตัวสา ม, มาแล้วก็เป็นอิสระเสรีภาพจากความที่ไม่ต้องเป็นท่าของอีกิเลสต่อไปถ้าเราเข้าถึง ก็ต้องสื่อความหมายให้เข้าถึงว่าไม่ประวัติศาสตร์ที่รู้มาเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วแต่ทั้งหลายจงเจาะประวัติศาสตร์พุธ ร, รวประวัติศาสตร์หรือพุทธศาสตร์เข้าถึงสารธรรมก็คือเข้าถึงศรัทธาให้ได้เข้าถึงความเพียรให้ได้เข้าถึงสติสมาธิปัญญาให้ได้จากที่ว่าไม่มีศรัทธา ท่านทั้งหลายจงขจัดความไม่มีศรัทธาออกไปด้วยความเป็นคุณผู้มีศรัทธาให้ตั้งมั่นศรัทธาในอะไรศรัทธาในาพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของพุท ธ, ทธบริษัทไม่ใช่อยู่แค่ประวัติศาสตร์ท่านจะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองทําศรัทธาให้เข้าไปเชื่อมั่นพระปัญญาญาของพระพุทธเจ้า พอไปศรัทธาในพระปัญญาญาของพระพุทธเจ้าแล้วจากการเห็นองค์ของพระพุทธเจ้าที่มาในฐานะพโคตรลมสาลีนิกทาเป็นต้นหรือมาในฐานะเป็นอุเทศสกาเจตีหรือโพธลูกหรือในฐานะเป็นรอยฝ่าพระบาทเป็นต้นที่มาประฏิสถานอยู่องค์ของพระพุทธเจ้าตรงนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วพระองค์มาประทับอยู่หน้าที่ตรงนี้แต่ไม่ควรมาติดอยู่เพียงอย่างนี้ต้องสามารถมีศรัทธาไปเชื่อมั่นปัญญาญาเพราะในพระท่านี้ พระบรมสารีกธานี้เคยเป็นที่ตั้านของพระยานทัศพันธ์ตายานของพระรัจ้าวอนาวรณายานของพระรเจ้าอินเทียปโรปริยติยานเป็นต้นจนถึงมหากรุณาสมาปฏิยานที่มีพระมหากรุณาธิคุณตัหมหูสัตว์พระท่านนี้เคยจาริกไปทั่วชมพูทวีปจาริกไปโปรดเวนยสัตว์มากมายบัดนี้พระคุณเหล่านั้นก็ไม่ได้จางหายไปเลย พระบรมสารีริกธาตุยังมีอยู่เป็นหลักฐานจารึกอยู่มาประทับอยู่ในทีน่นี้เราไม่ควรเข้าถึงเพียงแค่ธาตุอย่างเดียวต้องเจอเข้าถึงสาระธรรมหรือคุณของพระเจ้าให้เห็นพระปัญญาญาณที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเราจะได้มีความเชื่อมั่นปัญญาว่ามนุษย์ท่านหนึ่งบำเพ็ญบารมีสิอุปบา ร, รมีสิบบารมีธรรมบารมีสิ ฝึกฝนตนเองมาอย่างยาวนานจนในที่สุดสามารถตรสรู้ได้นี่คือมนุษย์ท่านแรกนี่คือมนุษย์ต้นแบบเราต้องสามารถรับต่อพระเจ้าในฐานะว่าเป็นบุคคลต้นแบบของเราและเราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธาตามท่านได้ถ้าอย่างนี้มันถึงจะชัดถ้าเราทำอย่างนี้มันชัดในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพุทธวนิน เป็นสาวกเวไนยก็หมายความว่าเป็นสัตว์ที่จะตัดสรุ้ตามพระเจ้าหรือจะรู้ตามพระเจ้าก็คือเชื่อมั่นในพระคัญญาถ้าอย่างนี้มีพลังไม่ใช่แค่ประวัติอย่างเดียวแล้วพอเข้าไปพบจากไม่มีศรัทธาทำไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นทีนี้พัฒนาจากความเชื่อมั่นจากอ่อนแอหดหูทอดหัวกลายเป็นคนก ล, กล้าหาญอยากเป็นคนเลื้อเลือนอยู่ไปวั น, วน ไม่ประมาทมัวเมาปล่อยสติให้ขาดหลุดลุย่ยตลอดแต่พอไปเห็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่เป็นเอกบุตรของโลกเป็นนาถาของโลกเป็นาศาสด า, า, า, าเอกของโลกอย่างนี้ปุ๊บมีกําลังใจมีสติ ก, กํากับอยู่กับตัวตื่นขึ้นมาไม่หลับไหลมีสติ ก, กํากับอยู่กับตัวในฟันเปิดไม่เลนหลงจากที่เป็นคนคุ้งซ่านไปคุ้งซ่านมาจับจดอะไรเอาอะไรแนี่นอนไม่ได้การเป็นคนมีความตั้งมั่นเองจิตอยากไม่รู้ แต่เราก็แสวงหาความรู้จากคําสอนไปตั้งอัธยาศาัยวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ญญาเป็นพู้ธบริษัทของพระเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้เป็นผู้มีศาสนาเป็นผู้มีศีลปรารถนาจะตัสรู้ตามพระเจ้ายังข้าพเจ้ญญาจะอะไรที่เป็นพระทํามคำสอนพระเจ้าค้าไม่ชอบแล้วข้าพเจ้ญญาจะทอถอยหดหู่เมื่อไรข้าพเจ้ญญาจะมาเข้าพระเจ้ามาได้ทั้งศรัทธาวิรญญาติสมาธิปัญญา เพื่อมาเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเขาได้อย่างนี้มันก็จะได้ความมั่นคงแห่งกระแสะชีวิตได้ไม่จิมาปฏิบปทาได้ทางดําเนินที่ถูกต้องไม่ดําเนินชีวิตไปหาติดแน่นในกรรมคุณกับกลายเป็นหรือว่าไปเครียดไปวิตกกังวลแต่ดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาดําเนินไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ดำเนินไปตามสมาธิฐิจะถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดก็ดําเนินชีวิตของเกเตรไปตาม ร, รม่าทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมีธรรมะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมีพุทธธรรมะสังฆาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตจากการมาไหว้พระเจดีย์ไหว้พระพุทธรูปเห็นร่องรอยของอารยธรรมที่มีความงดงามในอดีตมองผ่านอีกผ่านปูนผ่านวัสดุ ประวัติศาสตร์ทั้งหลายเห็นความงดงามของศีลงดงามของสมาธิงดงามของปัญญาเห็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะว่าเป็นรัตนะที่เลือ่อที่ประเสริฐที่มีค่าที่สุดจริงๆชีวิตก็จะได้ไม่ประมาทโวเมาละสิ่งที่ควรละแล้วก็มาเจริญสิ่งที่ควรเจริญอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมมันชวนหลายทั้งหลายก็ถูกละไปอะไรที่เป็นกุศลเป็นความดีทั้งหลายก็นํามาสู่กระแสชีวิต และก็มุ่งหน้าไม่ ท, อทอ้อถอยไม่หดหู่ในการดำเนินชีวิตเพื่อสู่จุดมายปลายทางที่จะเป็นพุทธะ ส, สรู้ตามพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าจอบไปที่ธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะอะไรคือพระธรรมศีลเป็นพระธรรมสมาธิเป็นพระธรรมปัญญาเป็นพระธรรมศีลเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะทําให้พฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่แสดงออกมาทางกายทางาจาและอาชีพสะอาดบริสุทธิ์หมด จะมาที่เป็นความงามในท่ากลางาะทําให้สภาพจิตใจของหมู่สาตว์ทายมีความแข็งแรงตั้งมั่นไม่ฟุ้งส่านไม่หดหู่ท้อถอยมีความตั้งมั่นมีความแข็งแกร่งมีความสงบมีความสุขมีความเยี่ยมยิ่งนั่นจึงเป็นความงามในท่ากงปัญญาเป็นความงามมันสูงสุดเพราะขจัดความมืดบอดขจัดความพลความขาวความง่ความไม่รู้สามารถเข้าถึงความดีงามเข้าถึงความกระเสริฐเลิศได้อ๋อ ศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในท่าการปัญญาเป็นความงามในสูงสุดนี่คือพระธรรเพราะไปกราบเราจะเข้าถึงความงามในเบื้องต้นของศีลความงามในท่าการของพระธรรมความงามอันสูงสุดคือปัญญา น, นั้นได้กราบพระเจดียกราบพระพุทธรูปแล้วข้อไปตั้งปฏิญญาว่าจะฝึกฝนพฤติกรรมจิตใจปัญญาประเด็นให้เข้าถึงความงามสูงสุดของพระธรรมไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสองจงจํำข้าพเจ้าวไว้นะแบบนี้ มันก็เข้าถึงได้จริงๆไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์นะได้ความมุ่งมั่นได้ความตั้งมั่นอย่างจริงเมื่อการกล่ามาพระสงฆ์สุปฏิปนนกัรเนรพระกว่ตสาวกสังโฆถามว่าพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกพระริจามีพระโสดาบันพระสะกาทาคาพระนาคาพระรหันอริยสงฆ์สาวกของพระริจามีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่การที่จะบรรลุอริยธรรมได้งหลายเป็นต้น ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดุชนคนที่มืดบอดมืดหนาด้วยกิเลเอสอกุศลกรรมข้าพเจ้ามาสักการะมาบูชา พ, พ, พระเจดีพระพุทธลูปเป็นต้นเหล่านี้ข้าพเจ้าขอปฏิญญาจ่าต่อหน้าพระรัตนตรัยว่าจะฝึกตนเองจากผุุ้ชนคนมืดบอดเข้าสู่ความงามของหมู่อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นดีดาเป็นต้นเห็นไหมถ้าไปอย่างนี้ปุ๊บประวัติศาสตร์มีความหมายไหม ประวัติศาสตร์มีความหมายพระพุทธรูบมีความหมายพระเจดียด์มีความหมายไม่ใช่ไปดูๆว่าโอ้สร้างยังไงมีความหมายมีคุณค่าแกบชีวิตจิตใจของเขาหนังสือเขาจะขอบคุณโอ้โหเพราะหนังสือเล่มนี้เพราะข้อความในหนังสือนี้เพราะเรื่องราวต่างๆนี้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา การเสด็จมาประทับอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระบรมธาตุในฐานะเป็นพุทธเจดีย์ในฐานะเป็นอุเทสิกาเจดีย์ในฐานะเป็นบริโภคเจดีย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้ช่วยให้เรารู้ปศัพทความเป็นมาก็ชื่นใจระดับหนึ่งและได้เข้าหาสารธรรมได้เข้าถึงแก่นของสารธรรมและได้สามารถปฏิวัติตนเองนะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ไม่มีศีลไม่มีศีล ไ, ไม่มีสมาธิมีสมา ธ, ไมมมาธิไม่มีปัญญามีปัญญา เปลี่ยนจากไม่มีศรัทธามีศรัทธาออนแอร์ทให้เกล้าดกล้าล้องลืมสติให้มีสติทง่งซาให้มีสมาธิไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเปลี่ยนจากคนที่ดําเนินชีวิตผิดพลาดมาดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามถ้าอย่างเนี้มันจะมีค่ามากซึ่งควรทำนะใช่ไหมนี่เราก็ให้มุมคิดไปว่าเราควรจะมีหนังสือที่มีชีวิตชีวามไม่แข็งกระด้าง แล้วก็อ่อนโจนในการที่นำพาชีวิตของเราเข้าสู่สิ่งที่ดีงามเห็นของมีค่าอยู่แล้วพระธรรมธาตุเป็นพุทธรฐานของเป็นดินมีค่าอยู่แล้วแต่จะมีค่ามีค่าในตัวของพระธาตุมีค่าในตัวของพุทธเจดีย์มีค่าในฐานะเนพระทัตโลกอยู่แล้วแต่จะมีค่ามากเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ประกาศ เกิดเจ้าเกรงรัศมีแห่งพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาหรือรัตนะออกมาสู่กระแสชีวิตของบุคคลที่เข้าไปเฝ้าเข้าไปบูชาจะมีค่าไหตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปเชยชมว่าพระเจ้าสุดยอดพระธรรมสุดยอดพระสงฆ์สุดยอดแต่เรายังสุดแย่อยู่เล ย, ยไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องรัตนะความงดงามเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเก่งรัศมีจะต้องเป็นน้ํา มาชฉลมลารายรดกระแสะชีวิตของหมู่สัตว์ที่เล่าร้อนให้เข้าสู่ความเยือกเย็นและชื่นฉ่าในการที่กเกษตรขสนดิ้นรนด้วยอํานาจต้นกิเลสต้องสามารถขจัดความความโสโครกคือราคะโทสะโมหะหรือพระจิทั้งหลายออกจากใจสัตว์ออกจากกระแสะชีวิตสัตว์ได้จริงถึงบอกว่าพระพุทธเจดีย์ต้องมีชีวิตพระพุทธลูกต้องมีชีวิตขึ้นมานะพุทธสถานงหลายต้องทําให้มีชีวิตขึ้นมา ในการที่จะประกาศหลักการของพระรัตนตรัยทำให้บุคคลทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้และเข้าไปไปเข้าไปหานั้นได้เกิดความชื่นใจและก็ได้รับไออุ่นได้รับแนวทางของการศึกษาและปฏิบัติในการที่นําตนเองให้หลุดลอดออกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็สิ่งที่ดีงามเลื่ประเสริฐให้ได้ไดพระรันาตนตรัยพุทธรัตนะหรือพระบรมทาตเป็นรัตน์ของแผ่นดินงดงามอยู่แล้ว แต่เราต้องเป็นสะพานเชื่อมหนังสือก็ดีสื่อทั้งหลายก็ ด, กดีต้องเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมโยงให้บุคคลเหล่านั้นเดินเข้าถึงศีลรัตนรัตนะสมาธิรธัตนะนะและปัญญารัตนะให้ได้เป็นพุท ธ, ธรัตนะของเป็นดินเนี่ยเป็นรูปธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องให้เป็นนามธรรมคือเป็นศีลสมาธมิปัญญาและต้องให้คนที่เข้าไปนั้นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ได้ดื่มดําได้แล้วก็เข้าถึงความสุขได้ ถ้าอย่างนี้มันจะชัดถ้าอย่างนั้นมันก็ ห, ากห่างไกละเป็นเพระพระเจ้าไม่ถึงไปถึงพระเจดียก็ได้เห็นแค่ทางตาทางหูหรือที่รับรู้บรรยากาศาได้อะไรก่อนไม่ได้มันต้องสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าพระคุณของพระองค์มีอยู่แล้วพระคุณของพระธรรมพระเรียสมมีบริบูรณ์อยู่แล้ว หลืออย่างเดียวว่า เ, เราต้องไม่ชักสะพานเราต้องเชื่อมสะพานให้เข้าถึงทุกวันนี้พวกเราไปตัดแค่ประวัติศาสตร์เนี่ยสะพานมันถูกตัดเราไม่สามารถเดินข้ามเข้าไปถึงฝั่งคือพุธทธรัตนธธรรมรัตนธาสังขรัตนธาได้ฉะนั้นหนังสือที่จะทํามาก็ดีหรือสื่อทั้งหลายทำมาเป็นตัวเชื่อมสะพานที่ตัดเป็นสะพานหัวด้วนเนี่ยเชื่อม ถึงฝั่งคนที่ได้เดินเข้าถึงนะ<ม>เดินข้ามฝั่งไปแล้วไปฟังพระพุทธเจ้าพธธรทํารพระสงฆ์ได้จริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ว่าเราเป็นตัวเชื่อมเราเป็นสะพานเชื่อมตอนนี้มันยังเป็นสะพานหัวด้วนอยู่ดีไหมดีมันมาคืคของแล้วก็ต่อยมันต่อยบริบูรณ์เลยถึงมันจะยากยังไงก็อย่าท้อจงทาสิ่งนะ อื่นที่บุคคลอื่นทําได้ยากจงเอาชนะต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากจงอดทนต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทนได้ยากอย่าท้อนะจงมีกําลังใจจงมีความภาคภูมิใจจงมีความสุขทุกขั้นตอนในการที่จะต่อเชื่อมสะพานหัวด้วยเนี่ยให้เชื่อมมาฝั่งนี้ให้ได้คุ้มเวรยชนหรือประชาสัตย์ทั้งหลายที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ ที่เขาไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจที่เขาเดินไม่ได้ก็จะได้เดินได้ที่เขาเขา้เขาข่าพระรัชกาไม่ได้เราที่เขาได้ทําตัวเชื่อมสะพานเชื่อมให้เขาเดินเขา้เขาก่าวหนังสือเป็นเหมือนสะพานหนังสือเป็นเหมือนกาลยานามิตรหนังสือเป็นมรคุเทศเขาถ้าไม่มีมรคุเทศคือบทความข้อความเนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเห็นแสงสว่างได้ หรืเดินทางไม่ถูกได้เดินเข้าวัดพพุทธเจ้าไม่ถึงนาทีไปชนอิดบ้างชนปูนบ้างชนวัตถุโบราณอะไรก็ไม่รู้ชนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วกลับมาก็มาจากไม่รู้ได้แค่นี้แล้วพฤติกรรมก็ไม่เคยเปลี่ยนเคยเครียดยังไงก็เครียดอย่างนั้นกินเหล้าเมายาอะไรต่างเยอะแยะหมดเคยฆ่าสัตว์รักษรัพยพราะผิดพติกรรมไม่เคยเปลี่ยนเลยจะไปว่าให้พระเจดีตลอดว่าพุทธเจ้าตลอดแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่อันนี้แายว่า เขาไปถึงไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ดีแต่เราที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องทําสะพานเชื่อมให้เขาเขาทําไม่ได้เรามีศักยภาพทำได้เราต้องทําถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราก็ละเลยหน้าที่เกิดมาทั้งทีใช่ไหมก็ต้องทําดีมันได้ใช่ไห ม, ห ม, ไไหมจะตายทั้งทีก็ต้องเอาดีฝากไว้ใช่ไม้ม เออจะทำอย่างเงี้ยมันได้ชัดคือมันมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากขนาดไหนอันนี้ไงถ้ามันไม่มีสิ่งยากแล้วเนี่ยแล้วขันติบา ร, รมีจะเกิดได้ยังไงวิรญาณบา ร, รมีจะเกิดได้ยังไงฉะนั้นมันต้องมีสิ่งยากอธิฐานบา ร, รมีเป็น็้นจะเกิดได้ยังไงสัจจะบารมีจะเกิดขึ้นได้ยังไงฉะนั้นยากยากอย่างเงี้ยมันยิ่งยากมันยิ่งไดู้ยิ่งยากยิ่งได้ เย็นรู้สู้สิ่งยากโอ้ก็จะเห็นสิ่งยากขึ้นมาเนี่ยมีพลังมันในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองแต่ถ้าทำง่ายๆมัไม่เห็นประทับใจอะไรเลยทําแล้วมันรู้สึกว่านึกทีไรภูมิใจไว้สะพานเนี้ยเป็นสะพานหัวด้วนที่ไม่มีคนเชื่อมต่อมานานแล้วเป็นศตวรรษแล้วเรากับคิดมุมตรงนี้ได้มีคนบอก เราก็มีศักยภาพมีพลังมีวิธีการด้วยถ้ามันจะต่อแล้วหกักต่อแล้วหักก็ต่อไปเรื่อยๆให้มีความสุขกับการที่ต่อเชื่อมสะพานนี้เห็นไหมล่ะถ้าเชื่อมได้เราคิดดูสิมันช่วยคนแค่คนเดียวให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ยิย่งใหญ่ ส, สุดๆเห็นไหมเขาไม่ใช่เป็นแค่ไปกอดเยดีอยู่ไม่ใช่แล้วเขาเขียน แล้วเมื่อเขาเข้าถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทธรรประสงค์จะทําหน้าที่ในการที่ชันกนาเขาให้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพเราในทางนี้นเชื่อมไม่ถึงเมื่อเขาเชื่อมถึงไฟคือศรัทธาเขาได้จุดติดไฟคือปัญญาได้จุดติดแสงสว่างในกระแสขึ้นเขามีแล้วแล้วเขาจะเดินทางถูกเมื่อเขาเดินไปในสังสารวัฏเขาจะปลอดภยัยช่วยคนได้มีให้คน มใจอย่างมากลช่วยให้เขารู้ประวัติศาสตร์ถ้าตามหลักคำสอนพระเจ้าก็แปลว่าช่วยยังไม่สุดภารกิจของเธ อ, อยังไม่เสร็จเหมือนภาษารีบุตรไปช่วยครามคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมอุปถาแต่ก่อนเป็นคนอยู่ในศีลในธรรม พอต่อมาเนี่ยกลับกายเป็นคนที่ทุกสีประพฤติผิดเพราะไปคบคนผิดพอท่านทราบขาวท่านเข้ามามาสอนมาแนะนํากล่อมเกลาใสายความคิดให้มันมั่นคงในความดีพอมั่นคงในความดีแล้วตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารแล้วท่านกะใครผลปรากฏว่าถามวันนี้หมดอายุขายตายไปด้วยอํานาจของกุศลที่ทำกันกายชีวิต ทำให้ไปเกิดในสุคติไป พ, พว้พาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าดูกนสาบุตรเธือยังทำภารกิจไม่เสร็จทําไมไม่ทําให้เขาเป็นอิสระเสรีภาพจากกิ เ, เลาเพราภาษาบุตรต้องตามไปเชื่อมต่อจากคนดีให้เข้าถึงภารตะนาไตรที่แข็งแรงและสามารถาจัดกิเลสและกองพุกได้แล้วกลับมาพุทเจ้าบอกว่าสาธุ นี่ภาร ก, กิจเธอทําเสร็จฉะนั้นการเขียนประวัติศาสตร์พุทธเจดีพุทธประวัติที่ได้เพียงแค่ประวัติศาสตร์มันได้ครึ่งเดียวเพราะภารกิจของพวกเธอยังไม่เสร็จพระพุทเจ้าสรรเสวนครึ่งเดียวเธอจะต้องเชื่อมเขาถึงพระรัตนาฏัยถ้ายัางเชื่อมถึงพรัตนาฏัยไม่ได้เพราะว่ากิดในการที่เป็นพุทธบริษัทนั้นยังไม่ยังไม่เสร็จถ้าเธอทํากิจที่ไม่เสร็จ ก็เป็นอนาคุลาจะเป็นนาคุลาจะกรรมันตาทําการงานที่ข้างค้างไม่เป็นมงคลฉะนั้นจะต้องเป็นอนาคุราจะากรรมันตาเอตัมมังคารพุทธงังต้องกระทาการงานไม่ข้างค้างกิจในการที่จะเชื่อมให้พุทธบริษัทถึงพระรัตนาตายคือพุทธะธรรมะสังขะเธอต้องเชื่อมไมถึงไม่เชื่อมถึงเมื่อไหร่แล้วจะได้เป็นผู้ทําการงานที่ไม่ข้างค้างจะได้เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตแล้วก็จะได้เป็นความ มั่นใจชื่นใจภูมิใจเป็นกุศลติดตัวเป็นความดีติดตัวกระแสชีวิตที่จะทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่คณมุ่งหวังได้อย่างแท้จริงเพ้าใจชัดไหมไ <c oughs> ปรเรื่อยทีน่